ขอเจอิญพรท่านสาธุชนทุกท่านหัวข้อที่ตั้งเรื่องปฏิวัติตานั้น เ, เป็นการพูดถึงคำสอนที่เมื่อนำเอามาพินิพิจารณาแล้วจะช่วย ให้เราเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในบรรดาศาสนาสำคัญของโลกที่สอนขัดหรือแย้งกับเรื่องอัตตาหรืออัตมันในศาสนาพราหมณ์ก็จะมีเรื่องคำสอนที่สำคัญก็คืออัตมัน หรือชีว่าตะมันปรมาตะมันก็คืออัตตาอัตตาก็คือความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ว่าเรามีกายทิพย์เรามีจิตวิญญาณอมะตะเที่ยงแท้ถาวร อ, อยู่ในตัวเราเป็นแหล่งสำหรับการอ้างยิงและเป็นสิ่งที่ เวียนหาพบหาชาติและเป็นสิ่งที่เมื่อเราตายแล้วก็ไปรวมกับพระพรหมพระผู้เป็นเจ้าคำสอนอย่างนี้ก็พบในศาสนาคริสต์ที่เรียกว่าอิมโมโทโูท่อโซลวิญญาณอมตะตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่อาณาจักรพระเจ้า ในาศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันเป็นคําสอนที่ถูกจริตมนุษย์เป็นคําสอนที่คนชอบเพราะฉะนั้นาศาสนาที่สอนเรื่องนี้จึงมีาศาสนามากในโลกปัจจุบันาศาสนาคริสมีศาสนิกเป็นอันดับหนึ่งของโลกอิสลาม แล้วก็ผ่าศาสนาพุทธอยู่อันดับที่สี่เพราะปัญหาของมนุษย์ต้องการสิ่งที่อมตะเราต้องการสิ่งที่ง่ายที่จะเข้าถึงและก็ไปอยู่ใน สวงสวรรค์กับพระผู้เป็นเจ้าแต่อยู่ๆพระพุทธศาสนาบอกไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอว่าวิญญาณอมตะเหล่านี้จะต้องไปรวมกับพระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์หรือในพรห ม, มันพระพุทธศาสนาประกาศว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ ปัจจุบันนี้แหละคือความหลุดพ้นคือความดับทุกข์ไม่ต้องเอาสวรรค์มาขายเพราะว่าการที่เราจะไปเข้าสู่อาณาจักรต่างๆพระเจ้าเนี่ยมันต้งองรอแต่ใครก็ตามเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาไม่ต้งองรอ ถ้าเราเข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของพุทธศาสนานั้นมีเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์โยมทั้งหลายมาสวดมนต์นั่งกรรมาฐานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาบางคนก็บอกว่าเพื่อให้โชคดีเพื่อให้มีลาบเพื่อให้ลูกหลาน ได้ดังใจบ้านเมืองดีแต่ทั้งหมดเมื่อสาวไปแล้วไม่ว่าท่านจะมีอะไรก็ตามมันก็ยังทุกอย่อะไรจะถูกใจยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องจากวันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนโชคดีวันนี้มันก็โชคไม่ดีวันหน้าเหตุการณ์ต่างๆมันไม่แน่นอนมันก็ทุกเหตุที่เรามีความทุกข์มันเป็น เพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตความเป็นจริงของชีวิตที่พระเจ้าค้นพบด้วยสัมมาสัมโพธิญาณด้วยวิปัสนาญาณก็คือมันไม่มีวิญญาณอมะตะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาตมันไม่มีสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย เกิดดับเกิดดับเป็นกระแสพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธชาติหน้าชาติหน้าเวียนว่ายตายเกิดก็มีแต่ไม่ว่าคุณจะไปเกิดอยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแม้แต่บนสวรรค์ประเด็นสําคัญคือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนชาตินี้ชาติหน้าทําอย่างไรไม่ให้ทุกข์มันข่มกลั่นนั่นคือเป้าหมายของพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องใช้ปัญญาและเมื่อเป็นศาสนาที่ใช้ปัญญานี่แหละที่ทำให้ศาสนกของศาสนานี้ต้องใช้ความเพียรพยายามตรงเหหิกิจจังอาตาปังอักขาตาโรตถาคตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการบาเพ็ญเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางเป็นมัตคุเทศที่ชี้ให้เราเดินไปเราต้องลงมือลงแรงเดินไปแต่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ต้องการอยู่เฉยๆให้คนมา อ, อุ้มไปขึ้นสวรรค์ขอเพียงแต่ศรัทธาไว้พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จงมือไปเหมือนกับเด็กแบบบอก และส่วนใหญ่ชอบศาสนาแบบนี้ซึ่งมันไม่มีในความเป็นจริงและความเชื่อแบบ น, นี้มันจะตามเข้ามาในพระพุทธศาสานาเราก็เป็นเด็กที่ต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจูงไปตอนนี้ก็ขอให้หลวงพ่อจะตุกข์ลากจูงไปไหนก็ได้แพงเท่าไหรก็จ่าย เป็นเด็กที่ไม่รู้จกโตพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เรามเพนเพีย น, พ ย, นพยายามทาความดีเราบอกขอหลวงพ่อจตุคามพ่อจตุคามช่วยนะพอพ่อจตุคามไม่ช่วยก็พ่อพิคเนตแล้วแต่จะนึกอะไรได้คนทำที่จะมาขายเนี่ยแต่ในที่สุดจงไปไหนอนะ่ะไปหาความทุกข์ อยู่ตรงนี้มันก็ทุกข์เดินไปไหนมันก็ทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าตรงนี้แหละดับทุกข์ไม่ต้องจูงไม่ต้องลากเพียงแต่ทําจิตให้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในมรรคเวววุแปดเราจะเข้ามรรคทางแห่งความดับทุกข์ใช่ไหมทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเราจะเข้าทางแห่งมรรคก็คือ ท่านต้องเชื่อว่ามีนิโรธมันจึงจะเป็นมรรคมีนิโรธในเริยสัตว์สี่เนี่ยมีทุกมีสมุทยัยเหตุแห่งทุกมีเป้าหมายคือความดับทุกข์ที่เราต้องการและเราทำอะไรตรงนี้สวดมนต์รักษาสีเนี่ยเพื่อไปสู่นิโรธคือความดับทุกข์นั่นแหละท่านกำลังได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้อง และกำลังก้าวเข้าสู่มัดคือทางไปสู่ความดับทุกข์มัดตกลงกันก่อนได้ไหมว่าเวลาที่ท่านปฏิบัติศาสนาเนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อลาบเพื่อยศเพื่อนั่นเพื่อนี่เพราะนี่มันจิบจ่อยเพราะว่าต่อให้ท่านได้ลาบได้ยศได้สุขท่านน่ะเสดทุกข์มันก็ยังท่วมหัวไม่ว่าท่านทำอะไรเนี่ยเพื่อความดับทุกข์อันนี้เป็นเป้าหมาย แล้วจะมาถึงเรื่องอัตราอัตราันต่อไปนักธุรกิจที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งของพม่าหลายปีมาแล้วประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจแต่เครียดเกิเกิดทุกข์มากแข่งขันสูงในที่สุดเป็นไมเกรนอย่างแรงปวดหัวอย่างแรง หาหมอรักษาหมอก็ให้ยาเยอะย ะ, ยะหมดอยากแก้ปวดจนในที่สุดหมอบอกไม่ไหวแล้วนะให้ยาต่อไม่ได้แล้วเพราะยาที่ให้นี้มันผสมโมฟีนแก้ปวดคุณกำลังจะติดโมฟีนฟิด คุณเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเดินทางไปรอบโลกเึิ่งคุณเดินทางอยู่แล้วเนี่ยเลิกคิดเรื่องธุรกิจสักครั้งหนึ่งได้ไหมไปหาหมอที่ไหนในโลกก็ได้ที่เก่งในยุโรปในอเมริกา <c oughs> เพื่อรักษาโรคไมเกรนปวดศรีรษะของคุณตกลมง นักธุรกิจคนนี้ก็เดินทางไปทั่วโลกปรากฏไม่ว่าจะในยุโรปในอเมริกาก็ผิดหวังรักษาไม่ได้กลับมาที่พมา่าได้ทราบว่าที่สำนักกรรมฐานแห่งหนึ่ ง, งสอนกรรมฐานแก่ก็ไม่เคยเข้าไปเลยเพราะแกนับถือศาสนาพราหมณ์หรือจิต ด, ดูก็เลย ลองไปถามไปหาอาจารย์ที่สำนักนั้นดูอาจารย์ก็ถามว่าจะมาปฏิบัติกรรมฐานใช่ไหมใช่เพื่ออะไรเพื่อแก้ไมเกรนคือปวดศีรษะอาจารย์ท่านนั้นบอกว่ากรรมฐานไม่ได้มีเอาไว้แก้ปวดศีรษะหรือแก้ไมเกรนกรรมฐานมีเอาไว้ดับทุกข์ ถ้าเมื่อไรคุณคิดจะดับทุกข์ให้มาถ้าคิดจะมาใช้กรรมฐานเพียงแก้ปวดศีรษะยามาแกก็ผิดหวังกลับไปบ้านด้วยความผิดหวังไปนั่นคิดอยู่หลายวันไหนสุดถึงบักลอกปฐห์ไอ้ปวดหัวมันก็คือทุกข์ถ้าเราคิดว่าไปปฏิบัติกรรมฐานบอกอาจารย์ว่าจะแก้ทุกข์มันก็ถ้าแก้ทุกข์ได้ก็หายปวดหัวสิ ก็เลยกลับไปหาอาจารย์ซึ่งเป็นคารวะเหมือนกันบอกว่าขอปฏิบัติกรรมฐานเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์เพราะฉะนั้นปฏิบัติได้ก็สอนกรรมฐานให้เขาก็ตอนแรกแกนับถือศาสนาอินดูอยู่ก็นั่งกรรมฐานเวิปัสสนากรรมฐานแบบพมา่ายุ้หนอกองหนอ โดยได้ความดื้ดับจากการปฏิบัติไม่นานนะเพราะต้องการที่จะดับทุกแต่โดยร่วงไปไม่นานเนี่ยมีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นปวดหัวมันหายเปลี่ยนศาสนามานับถือพระพุทธศาสนาแล้วหยุดไหมไม่หยุดปฏิบัติต่อไปอมันดีนี่ก็เลยไปสอนภรรยาสอนพ่อตา ต่อมาผู้นี้ได้เปิดสำนักสอนกรรมฐานทั่วโลกและมาเปิดที่ประเทศไทยด้วยเขาชื่อโกเอ็นกาจาศาสนาจินดูที่ว่าเข้ามาสู่พุทธศาสนาปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อดับทุกข์เพราะฉะนั้นจะ ถ, ถามคาถามเดียวกับท่านทั้งหลายสวดมนต์เพื่ออะไร งวดหน้าออกอะไรไม่ต้องมาไปหาต้นตะเคียนเหมาะๆดับทุกข์ท่านเมื่อท่านอัญญาโกลธัญญาฟังเทศของพระพุทธเจ้ากันแรกฟังกันแรกนะธรรมจกกักรปรนสุดไม่ได้นั่งกรรมฐานานานอะไรเลย ฟังจบได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานเรียกว่าโสดาบันขอบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าปร่งวาจาให้บวชพุทธเจ้าพูดเองนะเราเรียกว่าเอหิพิกขุุปสัมปธาเพื่อเจ้าเป็นอุปชางให้ไม่ต้องมีพระอันดับพราะบวชองแรกเลยทำที่เพื่อเจ้า พูดว่าเอหิภิกขุคือประธานอุปสมบทให้เป็นภาษาบาลีประโยคแรกว่าเอหิภิกขุเธอจงเป็นภิกษุมาเธิสวาขาโตามโมธรรมโมคธรรมะเราป่าวไว้ดีแล้วจาระพรหมจาริยังสัมมาทุกขัสสะอันตะกิริยายะ เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดจบประโยคนี้เป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคำว่าจะระรรมัจริยงพรหมจรรย์นั้นเป็นคำที่หมายถึงพระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้ายัางไม่มีคำพระพุทธศาสนาคำที่พระองค์เรียกพุทธศาสนาของพระองค์คือเรียกว่าพรหมจรรย์ วิถีชีวิตอันประเสริฐมาเข้าสู่วิถีชีวิตอันประเสริฐพระราาพุทธศาสนาเพื่ออะไรเพื่อกระทำที่สุดทุกข์ให้สมบูรณ์จะบวดก็เพื่อที่สุดแห่งทุกเพราะฉะนั้นใครที่บวชญาตโยผู้ชายเนี่ยคำขอบวชไม่ว่าจะบวชเนรบวชพระแบบมหานิกายซึ่ง ใช้มาแต่นโ น, นสมัยสุขโขทยัยย้อนไปตั้งแต่ศีหลังการสมัยพุทธเจ้ามาอาจจะเรียกว่าหลังสมัยพระเจ้าอโาศก ม, มาเรื่อยเีย่ประโยคขอบวชนี่เราจะใช้คำว่าบวชเพื่ออะไรท่องขันธ์หน้าสัพพทุกขานิสระณนะนิพพานะสัจฉิกรณัสทายะ บวชเพื่อที่จ ะ, จะทำทีเ่เพื่อที่จะสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงทำให้แจ้งเพื่อพระนิพพานสรุปแล้วบวชเข้ามาก็ดีมาเป็นชาพุทธก็ดีเนี่ยเพื่อที่สุดแห่งทุกข์แต่ตอนหลังธรรมยุติกาณิกายท่านเห็นว่าไปพูดว่าบวชเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบนี่แม้กระทั่งบวชเ น, นกรก็พูด ต่อเ ป, ปล่าประโยคนี้เพื่อสละทุกข์ทั้งปวงเนี่ยมันดูเป็นยิเกละครเพราะว่าเห็นบวชหน้าไปสามวันก็เปล่งวาจานี้เหมือนกันบวชเจดวันก็อาสัพพทุกขนิสสณะเพราะฉะนั้นในฝ่ายทำอยุเต็มกานิกายก็ตัดออกบวชแบบเอสาหังแต่มหานิกายยังใช้อยู่เพราะเป็นอาเพณีเก่าในศีลากาก็ใช้อยู่ ไม่ว่าจะบวชจะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแล้วมันเหมือนเข้ามาสู่กระแสแห่งแม่น้ําเจ้าพรยาซึ่งต้องไหลไปออกทะเลฉันใดเราเมื่อเข้ามาสู่กระแสแม่น้ําแห่งนี้มันพระพุทธศาสนานี้ต้องไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์คือ น, นิโรธเพียงแต่ว่าอย่าไปรอว่าเมื่อไหร่จะไปถึงป่ากอ่าวนูน ดับทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้เท่าที่สติปัญญาและความพยายามของเราจะอำนวยถามว่าการดับทุกขทำอย่างไรการดับทุกข์เกิดจากดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่กระแสพระสโสดาบันอย่างที่ท่านอัญญาโคนทัญญาฟังเทศกันแรก ได้ดวงตาเห็นธรรมเรามีแต่ดวงตาเห็นของนั่นของนี่อยากได้นั่นได้นี่ใช่ไหมแต่นี่ท่านบอกเห็นดวงตาเห็นธรรมธรรมะที่ท่านเห็นด้วยปัญญาจักสุนั่นแหละถ้าท่านเห็นเมื่อไรความทุกข์ก็จะลดลงตามส่วนแห่งการเห็นเห็นมากเห็นน้อยแต่เมื่อใดที่ท่านเริ่มเห็นท่านจะทุกข์น้อยลงและเรื่องนี้เป็นเอหิปัสสโก ท้าให้มาดูแลวลองพิสูจน์ดูด้วยควาว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเมื่อท่านัญญากโกรธัญญาฟังเทศประถมะเทศนาเสร็จท่านเปล่งอุทานเป็นลนักษณะว่ามีคำบรรยายวิดวงตาเห็นธรรมของท่านเห็นอะไรท่านเห็นว่าอย่างนี้เป็นภาษาบาลีว่า ยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตันนิโรธธรรมันถ้าใครเห็นอย่างนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมลองแปลดูไหมเพื่อจะได้ก็คนละดวงสองดวงแจกดวงตาแล้วฮะเห็ น, น, น, นไหมไโอ้สีเขียวสีแดงสีม่วงปหมดเลย ธรรมะไปเอาแจกธรรมะอยู่นี่ไปถนนนะใช่ไหมดวงตาเห็นธรรมเพราะเห็นดังที่ท่านอัญญากธรธัญยาเห็นแปลว่ายังกินจีสบูทยะธรรมบังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมัง สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาได้ยังตอ้องอธิบายอีกอย่างไม่ได้ดูงตาเลยนะตาปลอมนะมันจะได้อะหมายถึงอะไรเห็นผู้ภาษาชาวบ้านก็คือเห็นการเกิดและดับของสิ่งทั้งหลาย เห็นการเกิดและดับของสิ่งทั้งหลายคือเห็นอะไรเห็นอนิจจังเมื่อใดท่านเห็นอนิจจังว่ามันมีเที่ยงความยึดมันลดลงไหมตอนที่เราได้อะไรมานี่เรามักจะลืมอนิจจังพอมันเสียเราเริ่มนึกวนะอ๋อมันอนิจจังจริงๆ แต่ถ้าหากว่าท่านคิดถึงอนิจจังตลอดเวลาได้ก็ไม่ยึดมากเสียก็จะไม่เสียใจเพราะอะไรมันก็อนิจจังเสียทั้งนั้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านแต่งเป็นกรอนว่ายามจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกยามจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิถี ยามจะตายตายให้เป็นเห็นสุดดีทำอย่างนี้ไม่มีทุกทุกวันเอยอาตมาอยากจะเปลี่ยนคำว่าตายเพราะมันนานไปยามจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกเป็นยังไงไม่เป็นทุกอย่าไปยึดเกินไปได้มาแล้วอย่าเป็นประเภทมีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนจะดุ้งจนเรียนไหวมันทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดกับมันไม่ว่าจะได้ลาบได้ยศได้สรนเสริญได้ความสุขเพื่อใจเวลามันดับไปบ้านไม่มันดับไปจากเราเราก็พลากคือดับไปจากมันและเราก็กลัวตาย คนที่กลัวตายมากสุดคือคนกําลังมีความสุขเช่ไแต่ตอนไหนไอ้คนที่อยู่ข้างๆมันไม่ได้อยางไนอยากตายเพราะเขาเอาใจหน่อยไม่ตายก็ได้ได้อย่างไรให้มันไม่ทุกข์ไม่ขบกันได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์เป็นยามจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิถี เป็นอย่างไรที่เวลาสวมโขโขนตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไปยึดไปติดสิ้นกัญญานี่กเกษียณไปหลายคนกเกษียณแต่ไม่กเกษียณยังวนเวียนเป็นเจ้าไม่มีสาหยุนกลับไปที่ทำงนานเดิมมองเก้าอี้นี่ของกูของกูไม่ได้นึกเผื่อใจไว้นะ มีใครจะโชคดีบ้างเวลากเกษียณแล้วได้เป็นรองนายกทนเตรียมมันไม่มีบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเคื่อใจยามจะเป็นเป็นให้ถูกต่างวิถีก็คือว่าวันหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นวันหนึ่งตำแหน่งเขาก็มาเอาไป ยามจะเสียเสียให้เป็นเห็นสุดดีเมื่อจะต้องเสียท่นี้จะต้องตายใจ้กับพระตายมีได้ก็ต้องมีเสียมีเสียแล้วก็ต้องปล่อยเขาให้คืนก็อาจจะต้องคืนใช่ไหใช่ปะไม่คืนมันจะยุ่งก็คืนมันไป อะไรนะหัวเระนะแต่มาพูดธรรมะนะมันไม่เที่ยงอ่ะมันได้มันก็มีเสียน ะ, ะใช่มัมยังจะไปคิดอะไรอีกอันนี้จังมันเป็นอันนี้จังชื่อเที่ยงก็ไเมนเที่ยง ยามจะเสียเสียให้เป็นเห็นสุดดีทาอย่างนี้ไม่มีทุกทุกวันเลยเห็นหรืจริงเนี่ยแค่เห็นอ น, นิจจังแบบลำไรลํำไรนี่ใจมันเบาขึ้นเ่ะนี่ดวงตาเห็นธรรมนะเห็นแสงลำไรลําไร้เขาเรียกว่ายังไม่ได้เห็นพระอาทิตย์นะเห็นแต่ แสงเงินแสงทองของธรรมะใจเริ่มเบาแห้ะ เ, เดี๋ยวออกไปในรถติดก็ธรรมดาจริงไหพระเทศมัยยอมจบก็ธรรมดาอย่าไปเครียดนะเกินเวลาพลาก็ไม่เป็นไรยังไม่ถึงเรื่องอัตตาเลยนี่อั น, นิจจัง น, นรระท่านคว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ได้เห็นแค่อั น, นิจจ เห็นอะไรก็ไ <mister> ด <ius> ้ในสามอย่างอานิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนาตตาก็ได้แต่มันจะโยงถึงกันหมดเวลาเห็นเนี่ยถ้าเรียกว่าอนุปัสสนานะอานิจจานุปัสสนาเห็นอานิจังเห็นความไม่เที่ยงทุกขานุปัสสนาเห็นความทุกขอนาตตานุปัสสนาเห็นอนาตตาจับตรงไหนมันจะโยงถึงกันหมดเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้น เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องเห็นทั้งสามพร้อมกันจับเงื่อนไหนก็ได้ถ้าเห็นแจ้งอ น, นิจจังบางคนถนัดเห็นอ น, นิจจังก็ไม่เป็นไรปล่อยวางได้อะไรมันก็ไม่เที่ยงไม่ได้ดังใจ น, นียกตัวอย่างเห็นดวงตาเห็นธรรมนะ ดวงตาเห็นธรรมก็คือแหงเห็นแสงเงินแสงทองของอนิจจังก็ได้เห็นแสงเงินแสงทองของทุกขังก็ได้เห็นแสงเงินแสงทองของอนัตตาที่เรียกว่าปฏิวัติอัตาก็ได้เพราะฉะนั้นผู้อนิจจังก็คือเรื่องอนัตตานั่นแหละเดี๋ยวโยงไปเรื่องทุกขังให้ดูคําว่าทุกขังเนี่ยในความหมายที่เป็นไตรลักษณ์เนี่ยคนละอย่างกับความทุกข ที่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อนี่เป็นทุกขเวทนาแต่ไม่ใช่ทุกในใตรักเพราะเวลาที่ท่านบอกว่าเราเป็นทุกขทุกคือไม่สบายกายไม่สบายใจอันนั้นเป็นทุกขเวทนาความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อปวดเสียใจแต่เวลาทุกในแต่รักท่านใช้คำภาษาบาลีว่า สัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คำว่าสังขารมีทั้งที่มีจิตใจและไม่มีจิตใจเป็นทุกข์เหมือนกันเราทุกข์ก็ไม่แปลงไมโครโฟนก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นไมโครโฟนก็เป็นทุกข์ในหลักไตรลักษณ์ที่เราจะเห็นแสงเงินแสงทองเนี่ย ทำไมไมโครโฟนเป็นทุกเพราะความทุกมันไม่ได้หมายแค่ไม่สบายกายไม่สบายใจเราไม่ได้บอกว่าไมโครโฟนถ้าจะป่วยนะั้นใช้งานหนักเนี่ยไม่ใช่คำว่าทุกมีความหมายว่าแปลตามตัวกันนะมานจะคำว่าทุกแปลว่ายากขะมะหรือขะแปลว่าทนอะไรที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากมันอยู่ไม่ได้เพราะมันถูกบีบ ถูกคั้นนั่นแหละเป็นทุกข์ไมโครโฟนมันก็ถูกบีบถูกคั้นไม่สีเปลี่ยนโยลงไปมันก็แตกก้อนดินที่เราโยนขึ้นบนท้องฟ้ามันเป็นทุกข์เพราะมันถูกแรงดึงดูดดึงให้ต้งตกมันถูกบีบถูกคั้นให้อยู่ที่เดิมไม่ได้เด็กเกิดมาหัวเท่ากําปั้นทานอาหารเข้าไปถูกบีบถูกคันให้ต้องตกเป็นหนุ่มเป็นสาวถูกบีบถูกคั้นให้ต้องแก่เท่า ต้องตายสภาพที่ถูกบีบถูกคันอยู่ในสภาพเบิร์เดิมไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์พูดแค่นี้ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมหรอกนี่เล่าแค่ว่าความเข้าใจผิดว่าทุกข์บันหมายถึงว่าสบายกายสบายใจไม่ใช่แค่นั้นธรรมะลึกซึ้งกว่านั้นต้องมาที่นี่ บ, บ่อยๆไม่คิดค่าโฆษณาเลยนะนี่เพราะฉะนั้น ได้อะไรจากตรงนี้แสงเงินแสงทองแห่งการเห็นทุกขังคืออะไรที่จริงโยมได้อยู่แล้วได้ตรงไหนเวลาที่อะไรมันไม่ได้จังใจเนี่ยคำว่าทุกมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงถูกบีบถูกขันใช่ไหมถ้าแก้วจะแตกเพราะว่ามันตกมันบีบมันขันมันเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองถูกไ่ม ตะัทะตาเช่นนั้นเองพันนั้นแหละเพราะว่าแก้วมันเกิดจากเหตุหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างเมื่อเหตุปัจจัยเหมาะสมมันก็อยู่เหตุปัจจัยมันมากระทาเข้ามันก็แตกมันมีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งต่างๆว่า อยู่อยู่คนที่เรารักเขามาเปลี่ยนไปมันต้องมีอะไรมากระทำให้เขาเปลี่ยนเขาตกอยู่ใต้กดแห่งทุกข์ังคนมาเป่าหูเขาความคิดเขาก็เปลี่ยนในทางการเมืองก็ได้ชีวิตภรอบครัวก็ได้ที่ว่าจะอยู่กันเป็นคู่เที่ยงแพ้ถาวรเนี่เราไม่รู้หรอกว่าเงินจะมาซื้อเขาไหมไมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย ยศลากมาเปลี่ยนคนได้ไหมได้คนที่น่ารักแข็งแรงขับรถไปเหตุปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุตายจากไปได้ไหมได้ถ้าเราเข้าใจกดตรงนี้เมื่อเกิดความสูญเสียความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยในโลกนี้ซึ่งเราวัดไม่ได้ว่าตรงไหนเรามัดจะปรงใช่ไหม ถ้าคนใดคนหนึ่งต้องจากเราไปเพราะเหตุปัใจจัยแห่งสังขารหรือกรรมที่ท่านผู้นั้นทำมันถึงจุดหนึ่งท่านก็ดับอย่างหลวงพ่อปัญญานธน่ระอายุท่านเท่าไหร่ะ้ะเขาว่า <c oughs> เลขนี้หายากนะใช่ไแทนที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมขาดตลาด ก็ติดไปอย่างนี้พวกจำแม่นนน่าสงสัยอยู่เป็นเหตุให้เลขขาดตลาดโอ้เราาือไฟพิเศษยอะเลยอะไวไปเมื่อวัยตรงนี้ใช่ไหมเหตุปัจจัยไม่ว่าหมอจะช่วยอย่างไรก็ตามเราก็พอทำใจได้พอถามว่าเอาคนที่จากไปยุตลาดเขาบอก แ0ดสิบเ้าสิบแน่นอนธรรมดาเพราะเรารับได้ทำใจได้ถ้าต่างจังหวัด น, นะอายุเก้าสิขึ้นไปมีหนังสามจองฉลองแทนที่จะเสียใจพวกญาติๆเลเนะไม่ทุกข์หรือเพราะอะไรเพราะยอมรับกดแหงเหตุตัดใ จ, จก็คือความทุกข์เหตุตัดใ จ, จมาหลายอย่างแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้ ทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันถึงต้องสูญเสียทำไมก็ต้องเกิดกับคนของเราแต่เหตุปัจจัยที่เราพูดกันบ่อยก็คือเรื่องกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าคนที่เรารู้จักต้องรักกรมที่เขาทำ บางทีเราไม่รู้เลยเขาไปทําอะไรไว้แต่วันหนึ่งเขาต้องรับกรรมแทนที่เราจะไปตีโพยตีพายเพราะเขาทํากรรมอันนี้ไว้เลยเขาถึงจะต้องไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเขาประสบความสำเร็จ ก, ก็ดีใจกันเขาเขาทําเหตุที่ดีคือกรรมคือการกระทําที่ดีการเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาททีนตา ม, มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย นั่นคือแสงเงินแสงทองของการเห็นทุกขังยอมรับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยในสมัยพระพุทธเจ้านางมาริการเทวีมีสามีเป็นเสนาบดีที่เก่งมากชื่อพันธุระเสนาบดีมีลูกชายสิบหกคนลูกสะพ้ายสิบหก อยู่ๆพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยระแวงว่าถูกเป่าหูว่าพันธุระเสนาบดีจะยึดอนนานาจก็เลยหลอกให้ไปปราบโจนแล้วก็ซุ่มทหารจับฆ่าตายนางมาลิกาเทวีอยู่แนวหลังเนี่ยนิมนต์พระสารีบุตรมาถวายพระตาหารพอถวายพระตาหาร ก็มีคนส่งโน้โนตมาให้ส่งข่าวเขียนมาบอกว่าสามีถูกฆ่าตายพร้อมลกูกชายตั้งสิบหกคนแกก็เก็บเศษข่าวนั้นไว้กับใจตัวเองแล้วก็ถวายพระตาหารท่านพระสาริบุตรและพระสงฆ์ไป จนกระทั่งเด็กเนี่ยนำอาหารมาถวายเรื่อยๆแล้วคนหนึ่งไม่รู้เดินพลาดท่าไหนจานตกลงแตกกลางที่ประชุมต่อหน้าทานระกำหนักพระสารีบุตรพูดว่าพิชนะธรรมมังพิ น, นังสิ่งที่จะต้องแตกเป็นธรรมดาแตกไปเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วท่าน มาลิกาเทวีอยากคิดอะไรเลยตรงใจพะดิสิ่งที่จะต้องแตกเป็นธรรมดามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อย่างจานนี้ก็แตกสามีก็ต้องตายลูกก็ต้องตายมันเป็นธรรมดาธรรมชาติก็เล่าให้ภาษาลีบุตรฟังว่าดิฉันก็คิดอย่างนี้ไม่ตีโพยตีพาย และยังเรียกลูกสะพ้ายมาปลอบนี่คือคนที่เห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเราไปในงานศพเห็นความสูญเสียของคนบางคนยอมรับ ก, การจากของคนรักไม่ได้ทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะดวงตาเห็นธรรมมันไม่เกิดในงานนั้น เราห้ามได้อย่างไรธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจะดับไปห้ามไม่ได้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้เราจะทุกข์น้อยลงจริงหรือไม่จริงทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดพราอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อย เห็นเกิดดับเป็นอนิจจังก็ได้เราก็ถูกลดหลอนดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งต่างๆมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมาเหตุมันมาประจวบเข้าเขาก็ดับไปหรือมันก็หมดไปตําแหน่งที่เรามีมันก็หมดได้วันหนึ่งถึงเวลามันก็ต้องจะเสียนมันเป็นธรรมดาที่เรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วไม่มีใครอยู่คําฟ้าไม่ว่าตําแหน่งอะไรกันมันก็จะทําใจกันได้อันนี้เป็นทุกขังอะ อนัตตาคืออะไรเห็นอนัตตาก็ได้อนัตตาก็คือว่ามันไม่มีความเป็นเจ้าของแม้กระทั่งชีวิตของเราเนี่ยอะไรเป็นเจ้าของวิญญาณนะมมตะกายทิพย์ก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรานี่เกิดจากเหตุปัจจัยถ้าอารพระไตรปดกแล้วจะตกใจนะ วชิราภิกษุณีพูดว่าซึ่งพระพุทธเจ้ารับรองว่าถูกต้องทุกขเมวะหิสัมโพติแปลว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิด น, นอกจากทุกไม่มีอะไรดับ ท่านอย่าไปมองว่าทุทธศาสนาเนี่ยมองโลกในแง่ร้า ย, ายทําไมโลกนี้มีแต่ทุกข์สมัยก่อนจะมาอ่านแล้วก็จะคิดอย่างนั้นคําว่าทุกข์ในที่นี้ถ้าไปมองแบบทุกขเวทนาอ่าจใช่มีแต่ความทุกข์ไม่สบายกายแต่ที่ท่านพูดถึงนี้หมายความว่าอะไรมองให้ดีแล้วท่านจะได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะประโยคนี้นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด น, นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับหมายถึงอะไร หมายถึงว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมีอะไรเกิดขึ้นได้ไหมถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมีอะไรดับได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมองเห็นธรรมะท่านจะรู้เลยว่าสิ่งนี้ที่มีอยู่มันมีอยู่ชั่วขณะเขาเหตุปัจจัยที่เหมาะสมมารวมกันแม้กระทั่งร่างกายเราชีวิตเราเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรดับสิ่งที่เราเห็นนี่มันก็ดับเพราะฉะนั้น เราจึงไม่มองเห็นสิ่งที่เป็นแก่นของความเป็นแก้วความเป็นคนเป็นอะไรจากมันมีแต่ประชุมขององค์าพยกทั้งหลายดังที่พระนาคเสนกับพระยาเมรินคุยกันว่าพระยา พ, พระนาคเสนพบพระพยาเมรินพบพระนาคเสนครั้งแรกถามว่าพระคุณเจ้าชื่อไรอาตมาชื่อนาคเษน ตรงไหนแล้วท่านเป็นนาคาเสินศีษะเหรอแขนเหรอไม่ใช่เท้าหรือตัวเหรอหน้าคาเสินไม่ใช่พญามิรินก็คือพระเจ้าเมญันเดอร์มหาราชพญามิรินก็บอกนี่ดูสิพระพูดเท็จเมื่อกี้บอกว่าชื่อหน้าคาเสินพอชีว้ว่าไหนแล้วหน้าคาเสนบอกไม่ใช่ไม่ใช่ทําไมพูดโกหกมหาบอพีน ที่เป็นหน้ า, าเกษตรคือทั้งหมดเนี่ยรวมกันแต่ก่อนที่จะพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านถามก่อนม า, าพิทมายัางไงเนี่ยราดชรถนั่งลาดชรถตมานู่นจอดอยู่นู่นแล้วตรงไหนแล้วราชารถต<ม>ล้อเหรอไม่ใช่ตัวถังเหรอไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินก็โกหกเหมือนกันพญาไม่ดิ้นบอกไม่ใช่รวมกันทั้งหมดนั่นแหละราดชาร์ ข้อนั้นฉันใดมหาบอ่อผิดนี่รวมกันทั้งหมดแล้คือมากเป็นศูเหตุปัจจัยมารวมกันเป็นราชรถฉันใดเหตุปัจจัยรวมกันเป็นตัวเราฉันใดแต่ถามว่าอะไรคือความเป็นเราความเป็นแกมมันไม่ได้มีนั่นคืออนัตานั่นคือมองให้เห็นความเป็นจริงเราจะไม่เห็นอัตตาที่แท้มันมีเหตุปัจจัยก็มาเป็นตัวเรานี่เหตุปัจจัยเราก็ไปเกิดใหม่ถูกห มีชนะ ก, ะกับกรรมกรรมมีชนะ ก, ะกับกรรมให้เกิดใหม่แล้วก็ไปเกิดตัดกรรมได้เราก็ไม่เกิดตายได้ยังมีเหตุเป็นมีปัจจัยเราก็เวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วอะไรไปเกิดไม่ใช่ยกไปทั้งหมดเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มาประชุมกันแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยตัวท่านตัวเราแต่ คนเรามักจะนึกว่ามีตัวเรามีของเราตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่แก้ยากอนั ต, ตาเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นได้ยากคือว่ามันไม่มีแก่นเนี่ยแต่ถ้าเราได้เห็นแล้วเนี่ยนะเห็นผ่านทุกขังก็ไดนะ้เมื่อกี้าพูดแล้วสิ่งต่างๆมันอาศัยเหตุปัจจัยมารวมกันเข้า จึงเกิด น, นอกจากทุกก็คือสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับแล้วจะหาอัตตาได้ที่ไหนมันจะมีเหตุมีแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่งเพราะฉะนั้นในฝ่ายมหายานเนี่ยท่านจึงเรียกว่าสุญญาตาที่แต่ความว่ามองไปทัางไหนเลยนะมันไม่มีแก่นที่อยู่ได้ที่ยังแท้ถาวน์แม้แต่ชั่วขณะ นั่นสำหรับคนที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมแต่สำหรับดับทุกทำยังไงเรารู้เลยว่าที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะเราไปปรุงแต่งให้มันมีตัวฉันของฉันฉันที่ได้ยศได้ลาบได้เกียรติได้อะไรต่างๆแต่ถ้ามองทะลุไปเห็นความว่างแล้วฉันก็เป็นแต่เพียงองค์ประกอบธาตุสีบ้างจิตใจบ้างและวันหนึ่งมันก็ดับ เราจะไปยึดติดทำไมสมบัติที่หาไว้มันก็อยู่กับโลกนี้เราเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ช่วยเหลือกันไปสู่ความดับทุกข์จะดีกว่ามาทะเลาะกันทำไม mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อ mm hmm. ท่านพาิยะทารุจิริยะเดินทางไกลมากมาเฝ้าพระเจ้ากำลังบินถบาตพระเจ้ากำลังบินถบาต ท, ท่านพายยะก็ขอพระเจ้าเทศให้ฟังการตลาด พระเจ้าบอกพายะตอนนี้กําลังมีธบทเทศไม่ได้ให้กลับไปวัดก่อนค่อยฟังพายะก็ถูกห้ามไปท่านที่หนึ่ก็ขอเป็นทั้งที่สองถูกห้ามเป็นท่าที่สองก็พายะก็บอกว่าเอาพระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าชีวิตมันไม่เที่ยงไม่ใช่เหรอใช่ทั้งนั้นรีบเทศเถอะเพราะไม่พูดเทศหรือผู้ฟังีอาจจะมีอันเป็นไปได้ <c oughs> ใจร้อนจริงๆนะห้ามแล้วยังไม่เชื่ออีกไม่เที่ยงเพราะไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นต้องรีบเทศ อท่านพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าอย่างนั้นเราจะเทศท่า น, นั้นตั้งใจฟังหนึ่งนาทีพระพุทธเจ้าเทศเพียงหนึ่งนาทีท่านพาหิยะทานุจิรยะยาว่าจะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเห็นอนัตตา ลองฟังไหมเมื่อกี้รอบแรกอันนี้จังไม่สาเร็จอันนัตาน่าจะบรรลุนะท่านพระเจ้าเทศหนึ่งนาทีไว้อย่างนี้ทิฏฐิทิฏฐะมะตังภวิสติสุตเตสุตมะตังภวิสติวิญญาเตวิญญาตมะตังภวิสติแล้วก็มีต่ออีกนิดหนึ่งได้อ่ะ โอ้ยยังไม่ได้แปลเห็นนั่งเฉยๆอะแปลและบรรลุแน่นอนแปลว่าเห็นให้สั่งแต่ว่าเห็นได้ยินให้สั่แต่ว่าได้ยินทราบให้สักแต่ว่าทราบรู้ให้สั่งแต่ว่ารู้เมื่อใดทําได้อย่างนี้ เมื่อนั้นเธอก็จกไม่มีทั้งโลกนี้และในโลกหน้าเธอก็จกไม่มีก็คืออนัตตานะว่าเห็นให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยินทราบให้สักแต่ว่าทราบรู้ให้สักแต่ว่ารู้อย่าปรุงแต่งว่ามีเราเป็นผู้เห็น มีเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูมีและมันเป็นของเราสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าคนเขาจะชมเราเหตุปัจจัยคือเขาพอใจเขาก็ชมแต่อย่าได้ว่าอย่าเที่ยงแท้ถาวรหรือมีตัวเราที่สำคัญท่านจะไปเห็นได้ตอนไหนตอนสูญเสียเจ็บป่วยมากๆเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย เจ็บป่วยคือความการรับรู้ว่าเราทุกทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บบางคนนี่ไม่อยากจะบอกหมอไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเพราะบอกแล้วซุดยังไม่ทันรออะไรละไปเลยทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้คือไม่ได้สัต์แต่ว่าได้ยินมันปรุงแต่งว่าเป็นเราท่านยังไง ในกรณีนั้นเนี่ยพอเราได้ยินว่าเราเป็นผู้เจ็บป่วยระยะสุดท้ายขึ้นมามันจะต้องเกิดความคิดว่าทำไมต้องเป็นเราลูกก็ยังเล็กคนนี้เรื่องนี้ทำไมผัดผ่อนไปหน่อยไม่ได้ตัวเรามันชัดเจนมากมันไม่ยอมสละตัวตนสุขภาพจิตก็เสื่อมตกไปใหญ่ทุกหนักกว่าเดิม โคตผูเศร้าหมองเสียใจยิ่งทำให้สุขภาพเสื่อมซุดเลยไปทำใจไม่ได้เปรียบเหมือนลูกสอนโดนยิงมาหนึ่งดอกคือทุกกายเป็นโรคระยะสุดท้ายเท่านั้นยังไม่พอเราสร้างตัวกูของกูขึ้นมาอีกให้ถูกลูกสอนอีกดอกหนึ่งมาเสียบแทงเข้ามาว่า เราเท่านี้เน่านี่แหละที่ทุกอย่างนี้มันจึงมีทุกสองขั้นทุกกายยังไม่พอยังทุกใจซ้ําเข้าไปอีกโรคก็ยิ่งรักษา ย, ยากเข้าไปอีกเพราะทุกกายอย่างเดียวยังพอมีหวังแต่พอใจไม่สู้ยอมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ซ้ําหนักเข้าไปอีกฉะนั้น พระพุทธเจ้าจังสอนท่านนักกุลบิดาว่าแม้ร่างกายเราจะป่วยกระสอบกระแสแต่ใจของเราอยากกระสับกระสายไปด้วยเลยอย่าไปคิดว่าทำไมเราต้องเจ็บต้องป่วยต้องทุกข์ตรงนี้แหละที่คำสอนเรื่องอานัตตาก็คืออย่ามาโยงมาหาตัวเราสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย มีมาเราก็เสวยอารมณ์รับรู้มีความสุขไปตามอัตภาพแต่ถ้าจะหมดไปแม้กระั่งตัวเราที่จะดับไปก็อย่าไปทุกข์มากนะอย่าไปตีโพยตีภายหลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนว่าตกบันไดพลอยโจนเมื่อจะต้องสูญเสียเสียอย่างสนามหนา เมื่อจอะต้องปล่อยปล่อยอย่างสง่างา น, านอย่าไปยึดไปติดเพราะว่าเราก็ฝืนไม่ได้อย่าไปเสียไปแล้วอย่าไปร้องไห้หาหน ม, มหกเหมือนคนตก บ, บันไดโจรลงมายืนให้สงานาน่างามอย่าไปฝืนเพราะฝืนแล้วแขนลงอาจจะแขนหักศีรระลงอาจจะศีรระแตก พาหิยะธารู้จิระเนี่ยมองเห็นทะลุเลยอนนีิจังทุกขังอนัตาเทียงต่าง ม, มันไม่เที่ยมมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเราคุมมันไม่ได้การที่เราคุมไม่ได้ทั้งฝ่ายเราทั้งฝ่ายของเราเนี่ยนั่นแหละคืออนัตตาอยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทันโลกมีอะไรถูกใจที่ไหนเล่า ตัวของเรายังไม่ถูกใจหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียกอดไม่ร้อนใจความรู้อย่างนี้แล้วแต่ท่านจะเข้าถึงทางไหนเข้าถึงทางอนัตตาไม่ได้เข้าถึงอนิจจังสิ่งต่าง ม, มันเกิดเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ดบไป อย่างที่เรามักจะได้ยินเรื่องนิทานเซนเขาบันทึกเอาไว้ท่านฮากูอินนะเป็นผู้คิดเรื่องโกอาปริศนาธรรมเป็นอาจารย์เซนของญี่ปุ่นท่านเป็นพระบรณฑ์มีชื่อเสียงคนไปศึกษากรรมฐานเซนกับท่านมากวันหนึ่งหญิงสาวซึ่งอยู่ข้างวัด ตั้งครังขึ้นมาไม่มีปีมีคลุยพ่อซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของก็คาดคั้นถามว่าไปท้องกับใครมาท่าน อ, อผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมบอกว่าสามีเป็นใครนึกไปนึกมาก็ไปโทษหลวงพ่ออากูอินท้องกับหลวงพ่อชี้ไปที่วัด เป็นที่เคารพนะถือต้องคนท่านหมู่บ้านพ่อแม่ของผู้หญิงโกรธมากมากไปที่วัดเลยไปด่าท่านสาเสียเสีเสี ย, สยพอด่าเสร็จว่าท่านไม่ดีอยังงั้น อ, อ, อ, อย่างนี้หลวงพ่อตอบประโยคเดียวอย่างนั้นหรือพวกนั้นด่าแล้วก็รู้เท่านั้นตัั บ, บพอพลอดลูกมาก็ออามาไว้ที่วัดให้เที้ยง ท่านก็เลี้ยงเด็กคนนั้นมนาะฮะปรากฏว่าตอนนี้ชื่อเสียงตกหมดมินทบานนมเขาก็ไม่ใส่ให้เด็กกินแล้ว <c oughs> ไปต่อมาว่าจากไหนก็ไม่รู้นะท่านหากูอินเลี้ยงเด็กไปนะ <c oughs> พอนานๆเข้าแม่ผู้แม่ของเด็กทนไม่ได้ผ่านไปหนึ่งปีทนไม่ได้ไปสารภาพกับพ่อแม่ว่าพ่อที่แท้จริงเนี่ย เป็นคนขายปลาฐานะมันไม่ดีไม่อยากบอกพ่อแม่ผู้หญิงตกใจไปที่วัดไปขอโทษขอโพยแล้วขอเด็กคืนหลวงพ่อฮากอินก็ตอบว่าอย่างนั้นหรือแค่นั้นแหลนะคิดออกบรรุซาโตริก ตาโตรีคืออะไรดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงท่านก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อธิษฐานจิตใหม่นะสวดมนต์รักษาศีลถวายทานขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรม ไม่ใช่เห็นตําร <c oughs> วงตาเห็นธรรมเพื่อที่จะได้ทุกข์น้อยลงและเมื่อใดก็ตามที่ได้มาเสียไปก็ให้เห็นอั น, นิจจังไว้ในขณะที่ได้ก็นึกถึงเผื่ออั น, นิจจังไว้จะได้ไม่หลงดังที่หมู่บ้านหนึ่ง ชาวนามีลูกชายกำยำล่งสันเลี้ยงม้าให้ลูกชายขี่บ้านมันเป็นนาอยู่ริมป่าอยู่มาว่าหนึ่งม้ามันก็หายไปวิ่งเข้าป่านะคนก็มาบอกว่าโอ้ม้าหายไปไหนแล้วนี่เดี๋ยวเสียหายเนาะลูกชายก็ไม่มีม้าจะขี่แล้วแกก็บอกว่า นี่นะเสียใจนะกับความสูญเสียครั้งนี้ชาวนานก็บอกว่ามันก็ยังไม่แน่อันนี้จังนะไม่แน่ไม่เที่ยงเลยมันก็ยังไม่แน่ผ่านไปสองเดือนม้าก็ะมาจากป่าพาม้าตัวเมียมาด้วยอีกแล้วมามีลูก ติมีลูกติดท้องมาคนก็มาสแสดงความดีใจโห้ลาบมาหาแล้วได้มาแถมมาอีกแกก็บอกมันก็ไม่แน่เพราะลูกชายขี่ม้าด้วยความดีใจตกมา้าขาหักมันไม่แน่จริงๆเลยคนก็มาเสียใจไกแๆแล้วโหเสียใจด้วยนะลูกชายขาหักแล้ว มันก็ไม่แน่ฟังเพศมากเกินไปหรือเปล่าครเหนอยไหมนะมันก็ไม่แน่แค่ทำใจเผื่อไว้ทำใจเผื่อเหมือนอะไรเป็นเด็กๆเนี่ยเราชอบเอาแผ่นหินเล็กๆไงใช่ไหมแท้ไปบนแม่น้ำใช่ไหมให้มันลอยเขาเรียกอะไรอะ ก็เป็นแผ่นหินเนี่ยสไลด์ไปบนผิวน้าอยู่ในโลกแบบนั้นแหละอย่าไปจมเป็นอิสระแต่อยู่ในโลกไม่ใช่เหินลอยเองนะนั่นก็เพี้ยนไปอีกอยู่ในโลกรับผิดชอบครอบครัวสังคมแต่ย่าให้ทุกข์มันขบกัดคืออย่าไปจมเป็นแผ่นศิลาบางๆที่มันสไลด์ไปบนผิวน้ำ ด้วยคำว่าดวงตาเห็นธรรมอย่าไปยึดเกิดไปเพื่อใจไปบ้างเพื่อความผิดหวังคืออะไรต่างมันไม่แน่และเราจิตของเราจะเปน็นอิสระคนเมื่อกี้ก็บอกลูกชายขาห่ะมันก็ไม่แน่ไม่นานทางการมาประกาศว่าซึกสงครามมาติดชายแดนเกณฑ์ชายหนุ่มแข็งแรงไปรบ จากหมู่บ้านนี้เอาไปหมดเลยยกเว้นคนขาหักไปหายกลับตายเรียบเลยเหลืออยู่ไอ้คนขาหักนี่แหละมันไม่แน่จริงๆนะไ่ไนี่เพราะฉะนั้นในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีในได้ก็มีเสียในเสียก็มีได้หนึ่งเป็นสรรพสิ่งสรรพสิ่งก็เป็นหนึ่ง หนึ่งคือไม่เที่ยงสรรพสิ่งไม่เที่ยงสรรพสิ่งเป็นหนึ่งก็คือสรรพสิ่งไม่เที่ยงหนึ่งเป็นสรรพสิ่งก็คือความไม่เที่ยงมีอยู่ในทุกสิ่งสรรพสิ่งเป็นทุกและทุกก็มีอยู่ในทุกสิ่งรวมทั้งตัวเราด้วยเกิดตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยพาให้มาสวดมนต์ด้กัน เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้อภัยกันเพราะชีวิตโคจรมาพบกันเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมเพราะสิ่งต่างมันไม่เทีย่ยงไม่แน่ไม่สามารถจะยืนหยัดเป็นของเราเองนี่คือการมองโลกแบบปฏิวัติมุมมองมุมมองใหม่ด้วยรวปตาเห็นธรรมและ ทุกจับคบกัดเราน้อยหลมความไม่เที่ยนก็ทำให้เวลาหมดท้ายที่สุดนี้ก็ขอคุณประสีรัตนตไตรจะมารวมกันเป็นตบะดีชะพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีบา ร, รมีธรรมเพิ่มเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้ ด, ว, ดวงตาเห็นธรรมกัน ทุกผู้ทุกคนดำร ง, งตนอยู่ในความสุขสงบลมเย็นปราศจากสิ่งบีบคั้นทั้งหลายปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปราถนาเ่านั้นจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอิน ได้ดวงตาเห็นรครรมก น, นไ ด, ด้ตาที่แรกๆปาราได้ดวงตาเห็นตร